เราจะได้ฟังทรมากันก็จริงจริงแล้วการเกิดมาที่ถูกซ่อนมันมีความตายอยู่ในชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์สันฐานเช่นไรก็ล้วนแต่สิ่งมีชีวิตก็ถูกซ่อนด้วยความตายมันเป็นสิ่งที่ผู้ภาวนาควรที่จะ มันอบรมจิตพร้อมทั้งเจริญสติบ่อยๆมันก็เหมือนคำว่าเมื่อมีพบก็มีจากเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียมันก็คือโลกธรรมสิ่งที่อยู่คู่กัน ถ้าเราไม่มองให้ถี่ถ้วนเราเองก็อาจจะหลงที่ว่าหลงตัวหลงตนเองหลงความคิดหลงชีวิตสุดท้ายก็มาหลงยึดใจตัวเอง จริงๆมันก็เป็นเพียงเจอแล้วก็จากไม่มากกว่านี้และก็ไม่น้อยกว่านี้มันเป็นคำพอดีเป็นคำพอดีเมื่อเราเข้าใจสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าปัญญา ปัญญาก็คือรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์กระดูองค์สมเด็จพระผุ้มีพระภาคนะไม่ใช่ว่ารู้แต่ฝ่ายคุณอย่างเดียวหรือรู้แต่โทษอย่างเดียวพระพุทธเจ้ารู้ทั้งคุณและก็โทษทั้งสอง จึงให้เราทุกคนเนี่ยเลือกเลือกทมเลือกคิดเลือกที่จะพูดแล้วก็เลือกชีวิตที่จะเป็นจิงใช่ว่าทมพูดคิดเป็นนั่นแหละคือทางที่จะดับทุกได้มันสำคัญอย่างนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจคำพูดคิดชีวิตที่จะเป็นมันเย็นไม่ได้นั่งที่ไหนก็ร้อนเดินที่ไหนก็ร้อนจะยืนนอนที่ไหนก็ร้อนไปหมด ร้อนทั้งใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งชีวิตจิตใจก็ไม่รู้ว่าจะมีร่มเงาใดที่ให้ใจของเราสงบลงได้แต่มาว่าไม่มีต้นไม้ใดๆถ้าใจไม่สงบร่มไม้นั้นมันก็ได้แค่ ปกคลุมไม่ให้ร้อนกายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะทำให้ใจนั้นหยุดเราร้อนได้อย่างคนถูกกิเลสเผาไหม้มันก็ไม่เย็นอยู่ในตึก ติดแอร์ก็แล้วก็กระสายกระสะับพุ่งสาดรำคาญใจถ้าเราย้อนในครั้งพุทธกาลเขาใช้ความเย็นในชีวิตเข้าใช้ความเย็นในพิธีการดำเนิน เขาเยเย็นจากคุณศีลคุณธรรมสงบจากอากุศลบาปกรรมทั้งหลายไม่ใช่จากเงียบเสียงเสียงเงียบไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งหลายคนเข้าใจว่าความสงบคือความเงียบประมายืนยันยได้ความสงบแท้ ไม่ใช่ไร้เสียงแต่ความสงบแท้คือใจที่ได้ละวางแล้วไม่เช่นนั้นอย่างไม่ใช่อย่างไม่ใช่นะหลายคนยิ่งดำเนินชีวิตจิตเหมือนผูกติดกับจิตชีวิตให้มันเป็น หลายคนปฏิบัติธรรมยังไม่เย็นเพราะยังไม่รู้ว่ากิเลสเผาใจมันคืออะไรความทุกข์ใจที่เกี่ยวอยู่เกาะกินอยู่เกาะเกี่ยวอยู่บางทีเราก็ยึดติด สิบปีดูเหมือนยังไม่เจือจากมันไม่ใช่แล้วนะจิตอย่างนั้นมันต้องตัดตัดกระแสพาให้ไหลตัดจิตใจที่ทำให้หลงหยุดความวกวนที่มีอยู่ในใจ นั่งที่ไหนก็สบายตื่นที่ไหนก็สบายนั่นแหละเขาเรียกว่ามีธรรมคุ้มครองสติไม่เศร้ามองจิตผ่องใสใจสบายเย็นสบายเขาเรียกว่าใจภาวนา แต่งว่าใจที่มีความเจริญด้วยกุศลเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเชื่อไม่ว่าเดินไปเดินมายังไม่รู้ว่าเดินทำอะไร คิดไปคิดมาไม่รู้ว่าคิดอะไรทำไปทำมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเงิดแต่เงิดอีสานโดนว่าเงิดมันมนันแปลกปไงไม่รู้ไม่รู้มันเกิดอะไรเงิดหลาย จริงๆมันเกิดที่ใจเรานั่นแหละอะไรๆทั้งหมดมันก็ใจเราทุกข์ก็ที่ใจหมดทุกข์ก็ที่ใจเรื่องกายนั้นไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวก็จบที่ก็บกเจ็บป่วยทางร่างกายไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวก็หายเจ็บหมดแล้ว บางทีหมอบอกเอาละกลับบ้านได้ยังไงก็ไม่รอดกลับได้กลับบ้านเราเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วยาก็ไม่ต้องกินและกินไปก็เท่านั้นเพราะระบบร่างกายไม่ตอบสนองล ไม่ย่อยแล้วแตไม่ทำงานหัวใจเริ่มไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวก็หายเจ็บทุกที่มีทางกายตายก็จบแต่ทุกที่มีทางใจเนะี่ยตายเนี่ยนะไม่จบไม่เรื่องไม่รู้ว่ามีกี่ภาค ภาคหนึ่งภาคสองภาคสาภาคสี่ไม่รู้อีกกี่กี่พันกี่แสนภาคมันเป็นโซ่สังสารทุก์โซ่วัฏฏสงสารโซ่อันยาวนานของความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นโซ่ที่ผูกมัดจิตวิญญาณ โซ่ตรวนทางกายเนี่ยตายก็จบอีกนะผูกไม่ได้แล้วอีกไม่นานกระดูกก็ย่อยสลายผูกยังไงก็ไม่ได้แล้วแต่โซ่จิตวิญญาณเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นวัตตะ ผูกพบผูกชาติกันจนกว่าใครสามารถตัดพบตัดชาติได้เนตังมะมะเนโซหะมะมิเนโซอัตตาเมื่อไร่สติของเราจเจริญถึงคําว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นม่ใช่ตัวตนของเรานั่นแหละ เป็นวิธีที่จะตัดภพชาติอย่างน้อยเขาเรียกว่าจิตที่ไม่มีเครื่องผูกอา้าถ้าจิตของใครไม่มีเครื่องผูกสังโยชน้อยใหญ่เนะ่เป็นอันว่า สงบลงเห็นไหมดูพระอริยเจ้าพอจิตไม่มีเครื่องผูกในธรรมข้อใดสังโยช น, นนั้นก็ละหมดสลายหายไปแต่เมื่อไรจิตที่ยังมีเครื่องผูกในสังโยชนข้อใดข้อหนึ่งแล้วนะมันก็เหมือนกับมัดสัตว์ให้มีพบต่อ สำคัญจริงๆถ้าเราฟังกันเต็มๆมน่อยยำปนานิจังทุกขงังวิปปินามะธรรมังกันลังนาตังสัมโนปัสสติสัมมนปสั ส, มมนปสิตังเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซมีอตตาติ ซึ่งแปลว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนออที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเราไอ้นั่นของเรานั่นตัวนั่นตนของเรา คนหรือเราเมื่อทํากรรมฐานต้องย้อนมาพิจารณาเกษาโลมานาขาทันตารูปเร็บฟันหนังเนื้อพิจารณาอดีตปัจจุบันอนาคตเอามากําหนดพิจารณาเห็นความเกิดดับกี่เรื่องกี่อย่างกี่ครั้งเอามาพิจารณาเห็นสุขเห็นทุกข์ปรากฏเกิดในจิตดับในจิตเอามากําหนด พิจารณาเมื่อพิจารณาธรรมเคยใช้ทำอยู่ช่วงนะในลองหลับตาหลับตายังเห็นไหมบอกเห็นลืมตาลืมตาก็เห็นเห็นแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรามาประมวลนะมาประมวลลืมตาเห็นมันก็ไม่เที่ยงหลับตามองเห็นเป็นนิมิตสัญญาปรากฏก็ไมม่รู้จำได้ในทางเสียงทางรูปก็สุดแล้วแต่ ทางกลิ่นทางรสทางกระทบสัมผัสก็แล้วแต่และกำหนดว่าเที่ยงไหมเมื่อกำหนดลืมตามองเห็นโดยสภาพที่ไม่ตั้งอยู่มีความแปรปรวนมีการเคลื่อนไหวบุกพัดไปมาจากกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สุดแล้วแต่ แต่ไม่คงไว้เมื่อกำหนดเข้าไปเอ้ตาที่เห็นเนื้อเนื้อจับต้องได้มันก็ยังแปรปรวนหลับตาเนื้อมันก็เห็นเป็นอติตาบางในอดีตกำหนดปรุงไปในอนาคตที่มาไม่ถึงบ้าง กระทบทางโสดบ้างชิวหาบ้างกานณบ้างในปัจจุบันเราทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็ยังไม่เที่ยงฉะนั้นในมิตหมายทั้งหมดที่เกิดก็ยึดไม่ได้ อาการทั้งหมดที่สัมผัสที่รู้ที่ใจก็ยึดไม่ได้รู้ได้แต่ยึดไม่ได้จําไว้ผู้ภาวนาหัวใจของการภาวนารู้แต่ไม่ยึดถ้าเราได้หัวใจคำว่ารู้นะรู้ตัวเดียวและไม่ยึดเนี่ยนั่นแหละ เป็นกุญแจที่จะออกจากสิ่งที่เราเคยมั่นหมายเอาเวลาจิตมั่นหมายเนี่ยมันเป็นตัวตนนะยมลองมั่นหมายใครดูโอ้ใจจะขาดนะนะจะขาด ทุกคนเนี้ยเราจะสุขก็คนเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นจิตที่ปรุงให้เรามีอวิชชาอยู่กับสุขที่ไม่เที่ยงยึดอยู่กับทุกข์ที่ไม่จีรังมันไม่ใช่ยิ่งเห็นสภาวะจิตเท่าไหร่สติ ต้องระลึกตามสัมปชัญญะก็รู้ตัวให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็เอาธรรมนั่นแหละเข้ามาสอดสองธรรมวิจยะเอาธรรมมาสอดสองกำหนดพิจารณาจึงเรียกว่าสติกำหนดรู้อยู่ในธรรม พิจารณาธรรมรำลึกถึงธรรมแล้วกำหนดลงไปที่ใจทีนี้จะรู้แล้วใจมั่นใจหมายใจยึดใจติดใจละใจวางจะถอนหายใจเป็นสายยาวเลยเื้ย รู้แล้วบอกรู้แต่ยังยึดตอนนี้ยังไม่ได้ละนะรู้แล้วแต่ยังยึดและบางครั้งก็บอกยึดอยู่แต่รู้แหน่เก่งนะไม่ธรรมดารู้แล้วแต่ยังยึดและบางครั้งก็บอกยึดอยู่แต่รู้ แสดงว่ารู้อย่างนี้ยังไม่พ้นทุกแต่รู้นะรู้ว่านี่แหละทุกใจที่มันยังมั่นหมายอยู่เอาละก็ถือว่ารู้ในในเกณฑ์หนึ่งแต่ยังไม่ใช่ที่จะหมดจากตัวตัณหาตัวอวิชชาหรือจิตที่เราติดอยู่กับภพบน้อยใหญ่ แสดงว่าเราต้องทำวิริยะความเพียรทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นขึ้นฝึกอุเบกขาให้รู้จักละรู้จักวางอารมณ์น้อยใหญ่มันต้องฝึกมันต้องฝึกทฤษฎีขาดข้อปฏิบัติทฤษฎีนั้นก็ยังไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจึงใช่ม่าปริยัตเรียนรู้ปฏิบัติลงมือทำปฏิเวทะการที่จะรู้แทงตลอดปลอดในตัวตัณหาในตัวอวิชชาและก็มายาแห่งใจทั้งหมดโอ้สำคัญก็มาัมายาใจ มันแสดงได้ทุกบทบทหิวบทอยากบทลำบากเนมันแสดงได้ดีมากยมดูเอาแค่ดูนักแสดงโอ้ยแต่ละบทเห็นไหมชีวิตของเราเองก็เป็นนักแสดงบททุกข์ก็โอ้โหหน้าดำหน้าแดงบท โกรธเกลียดแค้นก็อืมอารมณ์นี่ไม่ธรรมดาทาไม่ติดคุกนะฆ่าได้ฆ่าถ้าไม่กลัวว่าบาปไม่กลัวว่าผิดศีลก็ฆ่ากันเยอะแหละมนุษย์บางครั้งเนี่ย แค่เอาศีลอย่างเดียวไม่กลัวผิดศีลไม่กลัวต้องเอาคุกตารางก็มากำกับเออจรจรจรกลัวแต่บางคนไม่ต้องพูดถึงคุกตารางพูดแค่วาผิดศีลก็กลัวแล้วไม่กล้าที่จะทำ ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครมีหิริโหต ป, ปัตตรงนี้มากกว่าเช่นพอเราเริ่มมีความเพียรมากขึ้นสติระลึกมากขึ้นสมาธิมั่นขึ้นจิตรู้จักวางเฉยขึ้นปัญญาก็เริ่มรู้รอบรู้ขึ้นรอบรู้ขึ้น พอรู้จริงๆเนี่ยมันเหมือนเฉลยข้อสอบมันเหมือนกับบอกตนเองได้ใชใ้ตัวเองเป็นแล้วก็ทำตัวเองให้ถูกจิตไม่พันผูกนั่นเละภาวนาที่เย็นแล้ว แต่ภาวนาที่ยังไม่เย็นเนี่ยมันพันผูกผูกพันไปทั่วไปหมดไม่รู้พบน้อยพบใหญ่ไปกันเป็นสายยาวเลยล่ะต้องตดัดปล่อยให้ใจไหลไปในอนดีตเนี่ยมันยาวนะต้องตดัด พยายามตัดตัดใจอย่าปล่อยอารมณ์ให้ไหลองค์สมเด็จพระพุมีพระภาคได้ตรัสนะว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคือง nice <c aning feet> ใ, ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงและระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาสำคัญนะ <c aning> แล้วก็มันใช้ยุนิโสมนสิการตริตรองมันตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบฉะนั้นทุกคนทำอะไรต้องมีอุบายต้องมีอุบายไม่ใช่ทื่อๆชีวิตทื่อๆนี้มัน มันไม่ใช่นะชีวิตคนเรามันต้องรู้อุบายทำกับข้าวเนี่ยโยมยังต้องมีเทคนิคเลยไฟต้องร้อนแค่ไหนไฟต้องเบาแค่ไหนต้องอุ่นนานแค่ไหนมันมีทั้งนั้นแหละเช่นทุกคนเนี่ย ต้องมีอุบายถ้าไม่มีอุบายเราออกไม่ได้นะออกไม่ได้อย่างที่เราไหวพระสวดมนต์เนี่ยรู้ว่านี่คืออุบายพอชาขึมาก็โยโซปควาอระหังสมาสมุโตนี่คืออุบายเพื่อให้จิตนั้นน้อมไปสู่ คุณแห่งพระพุทธเจ้าน้อมไปสู่แห่งพระสัตยธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็น้อมไปสู่ผู้ประพฤติธปฏิบัติที่ได้บรรลุอันเป็นพระอริยะจนถึงพระอนาหาันเพื่อยังจิตของเรานะั้นน้อมไปสู่ ในกุศลเจริญกุศลภาวนาเปล่งวจีออกมาจิตก็ตั้งได้นั่นคือการชำระจิตทุกวันนะงันใครไหวพระสวดมนต์เป็นผลกำไรของคนนั้นนะ่ะทำให้เถอะใครไม่สวดใครไม่ทำเราสวดเราทำเป็นบุญของเรา เป็นบารมีของเราอากุศลที่จะเกิดเกิดไม่ได้นะเพราะเราจเจริญกุศลตั้งแต่ดึกแล้วก่อนหลับก่อนนอนก็สติของเราก็ตัง้งเจริญอยู่ด้วยกุศลแผ่เมตตาสบายที่บอกหลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุขเทวดาก็คุ้มครองนะถ้าเราอยู่ในกรอบในศีลในธรรมพอหลังจากเช้าทาวัดสวดมนต์ภาวนาเสร็จพอเริ่มใสายๆก็มีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยทำท่าทำท่าเหมือนกันนะทำท่าคุณๆหน่อย พอตกเย็นเอาอีกแล้วโยโซภะขควาอีกแล้วเห็นไหมน้อมจิตไปสู่คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกก็เป็นการชำระจิตของเราเนี่ยไม่ให้ขุนไม่ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราจะไปเกาะติดยึดอยู่กับอารมณ์ที่เป็นของอกุศลกร หรือคิดไม่ดีก็จะได้จุติใช่ไม่มีเวรวันต่อวันชันร่ระกันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ยังเสริมสร้างปัญญาบา ร, รมีเราก็ยังต้องมาภาวนาอีกฟังธรรมอีกทําช้านอีกเนี่ยถ้าทําอย่างนี้บ่อย ต่มาบอกเลยบญาณนารกดรอปคนหนึ่งไม่กลัวนรกจกักญาณเทเดียวไม่กลัวไม่กลัวทําไมถ้าเราสร้างกรรมดีอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนไม่กลัวไม่กลัวสบายแล้วจิตก็ระลึกอยู่กับธรรม สติก็ระ ล, ลึกอยู่กับธรรมน้อมจิตน้อมธรรมเข้ามาจนถึงละรูปนามคือรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแล้วมันมันเป็นอะไรบอกมันเป็นดินน้าไฟลมเป็นาธาตุเป็นขันต์มาปริชุมขึ้น เป็นมหาภูตารูปแนละ้วเราก็มาอาศัยเขาอยู่ด้วยกันมีภพภูมินั่นแหละแล้วก็ใช้ไปจนถึงเวลาหนึ่งก็แก่เจ็บตายไปจึงเพราะเวลาพระอรหัสตท่านสิ้นลมเขาเรียกว่าดับขันละสังขารอย่างนี้เป็นต้นแต่ของพวกเราเนี่ย ตายเนวะเราตายเราจะตายแล้วโอ้เขาไม่พูดแล้วว่าเราจะตายถ้าคนมีคุณธรรมจริงๆนะท่านไม่พูดแล้วว่าเราจะตายาอัตมาจะตายแล้วเนี่ยไม่ใช่อัตมาใกล้ละสังขารแล้วอยุขัยคงจะจุด มันคงจะหมดแล้วสังขารมันเป็นของเน่าเปื่อยก็พิจารณาอย่างนี้มันก็จบใครจะมาร้องก็บอกร้องทำไมก็ในเมื่อกายไม่จะชงเราอยู่ไปก็กายนี้เป็นทุกข์เป็นรางของโรคต้องมองเป็นโทษอธินวัตสัญญามองเห็นว่าร่างนี้มีโทษเต็มไปด้วยโรขาทิ กำหนดไปก็เห็นเห็นเสร็จนะจิตมันไม่เข้ามาเกาะอยู่กับหนังเนื้อเอ็นกระดูกไส้น้อยใหญ่ในการสาสบสองเริ่มจากเกสรถึงพื้นเท้าไม่จิตนี้ไม่เกาะเกี่ยวเลยสบายอยู่กับธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอพิจารณาอย่างนี้ได้นะ จึงเรียกว่าไม่เกาะอยู่กับขันไม่ยึดอยู่กับขันไม่ติดอยู่กับขันไม่ว่ารูปไม่ติดเบทนาสัญญาสังขารบิณ ญ, ญาณเรามีหน้าที่ใช้พอใช้เสร็จก็วางของพวกเรานี้ยังขาดความเข้าใจ ใช้แบบยึดไม่ได้ว่าจิตไม่ว่าแล้วหลายคนเวลาใกล้าตายกับเสียดายดูสเสมือนว่าเป็นของเราซะแล้วนะไม่ใช่อายม์คิดแต่มาบอกไงว่าในความเกิดขึ้นต้นที่มีลมหายใจ มีความตายซ่อนอยู่ตลอดแล้ววันนี้ความตายก็มาปรากฏชัดขึ้นแต่ถ้าเรากำหนดก่อนเรารู้รู้เสร็จจิตนั้นตกใจไ้มไม่ตกใจก็บอกว่าภาวนาถึงก็มารู้เนี่ยสำเร็จแล้วนะครึ่งหนึ่งพอรู้แล้วก็ละนั่นจริงสำเร็จเต็มแต่ถ้ารู้ยังไม่ละ ขันธ์นั้นยังยึดอยู่พอรู้เสร็จละขันธ์ทั้งหมดก็สงบลงที่บอกขันธ์รมานอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่เป็นมานถ้าเราภาวนาได้กําหนดได้รู้เสร็จก็วางความเจ็บในเวทนา ที่เกิดทางกายเดี๋ยวก็จบแล้วตารมายังเคยบอกโยมทนอีกนิดนเดี๋ยวจะไม่เจ็บแล้วธ่รมาพูดกับโยมจริงๆไปเยี่ยมโยมที่โรงพยาบาลบเดี๋ยวโยมก็จะไม่เจ็บปวดแล้วร่างกายนี้จะเป็นอิสระแล้วแต่จิตของโยมเองต้องปลดปล่อย กายนี้ไม่ใช่ของเราท่องไม่ใช่กายนี้ไม่ใช่ของเราเนื้อหนังไม่ใช่ของเราลมหายใจไม่ใช่ของเราเป็นของธาตุขันยิมเข้ามายิมเข้ามาแล้วก็ใช้เข้าไปพอสุดท้ายก็ต้องคืนเขาคืนถ้าไม่คืนมันติดนะ พอติดแล้วมันก็เป็นหนี้ใช้กันต่ออีกไม่รู้จะจบกันเมื่อไหร่ยืมก็มาคืนเขาว่างเย้ะว่ า, วางเออทำจิตให้ว่างเอาละมาระลึกถึงกุศลโยมทำอะไรมาบ้างกุศลสร้างพระประธานสร้างกุศลตรงไหนจิตน้อมระลึกจำได้ไม่เคยเลี้ยงพระ ถวายพระตาหารเคยสร้างองค์พระเคยสร้างสาราเคยสร้างกุศลเคยภาวนาเคยสวดมนต์เคยไหว้พระอะไรก็ได้เคยทำกถินดํามปะปะอะไรก็ได้ที่จิตนั้นลาลึกแล้วเป็นไปเพื่อฝ่ายกุศลพิจนาจิตก็ค่อยวางวางวางหลอกเดี๋ยวก็ไม่เจ็บแล้วบอก ไม่ต้องไปสนใจลูกสามีหรอว่าเรามาใช้กรรมกันท่านั้นเอง <c oughs> ตอนนี้เราเริ่มหมดกรรมแล้วปลดปล่อยให้เป็นอิสระเขาไม่ไปกับเราเชื่อเถอะตอนมาเขาก็ไม่ได้มากับเราเรามามีภูมิพบชาติมาสร้างกันภายหลังเมื่อถึงเวลาจากโยมไปคนเดียว ใจต้องไม่เกาะเกี่ยวนั่นไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สารณะไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ที่ยึดถือพุโทโธเมนาโถโน้พระพุทธเจ้าณนะอาัศาจรรย์ตรงเนี้ยหรือเพื่อเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งของเราพอระลึกถึงคุณของพระธ ร, รรมพระสงฆ์ โยมรู้่าตอนนั้นเขาเรียกว่าเจริญอนุสติสิบแล้วซึ่งไม่ต้องบอกแล้วมันเป็นการเจริญกรรมฐ า, านไม่ต้องบอกเรารึกถึงคุณศีลคุณธรรมรารึกถึงสิ่งดีงามนะมันเป็นเทวธรรมอยู่นั่นคือเป็นอนุสติพอรารึกเสร็จเราบอกจิตให้ว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ สบายแล้วสิสบายจิตก็ว่างไม่ต้องฟุง้งซ่านอะไรโลกนี้เป็นเพียงที่เกิดแก่เจ็บตายทรัพสมบัติเป็นเพียงการมาใช้จ่ายใช้สอยเมื่อเสร็จแล้วก็คืนเข้าไปมาอย่างไรไปอย่างนั้นเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าบอกเจ้าเจ้าอะไร ไม่มีกาวางพอวางเสร็จแม้ลมกำหนดลมหายใจสุดท้ายและให้วางกองลมลมไม่ใช่ของเรามันจะดับเมื่อไหร่ก็ดับบัดนี้เป็นอิสระแล้วจงปลดปล่อยทุกอย่างโอ้โหจิตไปสบายเวลาพระแสดงธรรมก่อนตายเหมือนกับ สะกดจิตเหมือนกันนะมันไปได้ดีนิ่มนิ่งแล้วก็นิ่มนิ่มจนลมหายใจขาดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยโอ้หน้าตายอย่างเงี้ยหน้าตายตายแบบลมไม่สดุดเลยแม่ไปแบบเหมือนมีอาณาปานสติเป็นอารมณ์มันละเอียด ลมนิละเอียดดีมากเอาผู้ไม่รู้ใช่ไหมก็ร้องใหญ่เลยพอสักพักหนึ่งจึงรู้ว่าไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกบรรดาญาติมิพี่น้องอคนอันเป็นที่รักของรักจาก็ร้องให้โศกเศร้าเสียใจกันแต่ธรามาหมดหน้าที่แล้ว มันไม่ใช่เวลาต้องมาร้องไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาเสียใจงานต่อไปคือบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ตายเห็นไหมโยมสบายเขาไปดีแล้วไม่ต้องรอบุญอุทิศดโดยซ้ำไปเพราะจิตน้อมสู่ธรรมน้อมสู่กุศลน้อมสู่บุญที่ตนได้สั่งสมอบรมมา จิง้งสุขโขเนี่ยปุญญสะอุทยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ปุญญานิพระโล ก, กัตสมมิง่งปฏิทาโหติปานินันติบุญติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจิง้งเขาก็ส่งเราไปเมื่อเรารักษาจิตนะจิตตังทันตังสุขาวังหันเมื่อเรารักษาจิตดีก็จะนำสุขมาให้ หมดจากความสงสัยจันหลายคนเขาสงสัยเขาบอกว่าทําบุญทําไปทำมพภาวนาไปทำมาไม่เห็นได้อะไรตอนที่ยังไม่ได้เราก็มองว่าไม่ได้แต่บทที่ได้นะ่ะโอ้โหอานิสงส์เกินคุ้มเลยโยมสมบัติทั้งโลกไม่อาจเปรียบเทียบสิ่งนี้ได้เลย เทียบไม่ได้เลยรวยตกนรกรวยทำไมอยู่ดีมีสุขเพียงชา่นเดียวพอสิ้นไปเป็นคนอนันตฐานเงี้ยเอาหรือผู้มีปัญญารู้เขาก็ไม่เอากันฉะนั้นบอกคุม้มคุ้มที่ว่าเราใช้ภูมิพบชาติ แล้วภูมิภพชาติของเรานะมีการเจริญภาวนาภูมิภพสูงขึ้นมีทานศีลภาวนาภูมิภพของเราเนะี่ยมีสุขติเป็นที่หมายโยมคิดในคนี้เป็นที่หมายถ้าเราไม่มีสุขติเป็นที่หมายเอาโยมอย่าดีใจนะอย่าดีใจ อย่าดีใจเลยเพราะโอกาสที่เราจะยิ้มเนี่ยหมดโอกาสแล้วความเบิกบานชีวิตที่จะสุขสำราญความพรั่งพร้อมความอุดมบั่งครัำเนี่ยนะไม่มีแล้วเราไปสู่ทุกขติ เอาแล้วปากเหวแห่งความไม่เจริญนละพระพุทธเจ้าจริงตรัสไงว่าปัญญาปเป็นแสงสว่างอันทกาเรณะความมืดยังคนตาบอดยมเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ย มืดในจิตเขาไม่เห็นเลยในบุญกุศลพูดไปเธอบอมีบ่บุญบาปมีบ่พูดบุญเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วหัวเราะใหญ่สั่งคี้มูกใส่ซะอีก ก็ไม่เป็นไรแต่มาบอกไม่เป็นไรทุกอย่างความจริงก็คือความจริงเร็วช้าอย่าสงสัยวันคืนพลันหลับรับลงไปนะทุกคนเวลาใกล้ความตายมันจะมีสิ่งมาปรากฏนะอย่างนั้นคนคนคงจะไม่ร้องเป็นเสียง บัวเสียงควายเสียงไก่เสียงสัตว์น้อยใหญ่ก่อนได้เนี่ยนะร้องทำไมนิมิตมาปรากฏภูมิภพชาติเนะี่ยมาแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในภูมิไหนภพไหนทำอะไรมา ก, กรรมวิบากที่ส่งมานะมันให้อะไรจึงบอกเออ ท่าเรื่องบุญเรื่องบาปตกนรกมามากต่อมากแล้วคนที่บอกฉันไม่กลัวหรอกบุญฉันไม่กลัวหรอกบาปถึงเวลาแล้วปากสั่นหมดเลยยอมถูกใครไม่กลัวก็ก็ยังไม่รู้เองแต่จริงๆงแล้ว ผู้รู้ทั้งหลายเนะี่ยท่านกลัวกลัวยิ่งกว่ากลัวอีกท่านรู้แล้วนะท่านกลัวกลัวทยมดูสมัยรุ่นบรรพบุรุษเลยที่เขาสร้างกรุงศสีอ ย, ยุธยายมไปดูวัดวารามเนะี่ยมากจริงๆเหมือน วัดจะชนกันเลยล่ะติดติติห่างกันนะร้อยสองร้อยเมตรทำไมศึกศึกก็มีทำศึกกันไปพอหลังจากศึกสงบลงก็มาสร้างวัดอุทิศบุญให้นะทำบุญกันนะสร้างกันใหญ่โตเลยลนะยศ สร้างวัดสร้างวาสร้างเจดีสร้างวิหารเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งฝ่ายเราและฝ่ายที่ถูกฆ่าลึกๆในจิตตรงนั้นเนี่ยยังมีบุญบาปอยู่ท่านโยมดูการสื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยๆเนี่ย สืบสารจากบรรทบุรุษของเราเนี่ยบอกให้เห็นชัดเลยว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศาสนาเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยทัวนี้เขายกอายุยาเป็นลายมรดกโลกในเรื่องเกี่ยวกับมรดกที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และก็ในทางพุทธศาสตร์ จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้แต่พอเราไปดูโอ้โหจิตใจคนสมัยที่มีการรบราฆ่าฟันกันขนาดนั้นทุกตารางนิ้วที่ ย, ย, ยมเหยียบไปในยุทธยานชีวิตนอนจิตตมาเคยะระลึกนะพอไปยุทธยาบอก วันนั้นอยู่ๆกันนึกแปบขึ้นมาดีนะที่เราไม่เกิดในยุคนั้นถ้าเกิดในยุคนั้นตอนนี้วิ่งกันขี้แตกนะมาบอกไม่รู้ปืนใหญ่ไม่รู้ดาบใครมาไม่ได้มานั่งโซฟาอย่างนี้นะวิ่งนะความสงบสุขเนี่ยในยุคนั้นมันยังว่างต้องฝึกรบฝึกอาวุธกันนะ คนสู้รบไม่เป็นก็คือคนตายแล้วในยุคนั้นต้องฝึกฝึกการรบฝึกการสู้พอมีอาิราชัตรูคอยลุกรานบ้านเมืองเราอยู่ต้องสู้นึกถ้าเราเกิดในยุคนั้นไม่ได้นั่งคุยอย่างนี้หรอกไม่รู้วิ่งกันตอนไหนแล้วและทุกทุกตารางนิ้วนแผ่นดินถูก อาบไปได้เลือดนองไหลทาแผ่นดินพอคิดถึงยุคนี้เราหน้าอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับท่านเหล่านี้พิรันชนของเรา บ, บรรพบุรุษของเราเอาเลือดเนื้อเอาเชื้อไขมาปกป้องพื้นแผ่นดินในพวกเรายังมาทะเลาะกันเยี่เป็นน่าอายมันน่าอายนะ คนไทยร้องเพลงไทยแย่งแผ่นดินไทยกันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันคนละยุคแล้วให้สํานึกกันด้วยคํานี้ให้สํานึกกันว่าเราต้องรักใคร่สมักส ม, มานกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่พอร้น ไปดูในชีวิตของบรรพบุรุษของเราเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นแกนเลยล่ะเป็นแกนกลางเป็นจุดศูนย์รวมเลยอะรบค่ากันเท่าไหร่ก็ตามบุญกุศลไม่ทิ้งวัดว า, ารามต้องจเจริญยงคิด ด, ดูขนาดถูกพังถูกเผาก็นะ ถูกศัตรูมาทำลายนะยังทิ้งซากสลัขักพังได้ถึงขนาดนี้ถ้าเทียบกับเราในยุคนี้เพียงแค่จันลงดูแลรักษาไม่ให้รุ่นบรรพบุรุษของเราที่ทำไว้เนี่ยไม่มันหายไปเท่านั้นเองฉะนั้นจึงเออ เรามองไปนิดหนึ่งว่าเขามุ่งในเรื่องของบุญบาปมากไม่ใช่เป็นความเชื่อแต่ว่าจิตของบรรพุทธของเราเขาสัมผัสได้กิเลสไม่ได้มากขนาดทุกวันนี้หรอกโยมเครื่องดีสีดีเปล่าทั้งหมดไม่ได้มากขนาดนี้เขาศึกษาธรรมะกัน ไม่งั้นคงไม่ทุ่มเทสร้างกันแบบโอ้แต่ละอย่างยมดูนครปฐมเนะี่ไปแหงนคอมองเนะี่ยนกเขาเหินเนะี่ยโอ้โหธรรมดาเลยโย ม, มว่าด้วยคณะเทคโนโ ล, โลยีสมัยก่อนยังไม่ถึงขนาดนี้นะเขายังทำ แข็งแรงขนาดอยู่กันมาเป็น โ, โหไม่รู้กี่ร้อยรอยจะเป็นพันปีกันแล้วของเราอะไรเดี๋วนี้ทำก็ไม่ได้ใหญ่โตหรอกแค่นี้ก็ยังศรัทธายังไม่ถึงกันเลยโย่พูดไปแล้วเรายัางไม่เข้าใกล้บรรพบุรุษ ที่มีจิตปัญญาสืบสารพุทธศสาสนานึกถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยมากการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเราสืบสารจากรุ่นสู่รุ่นนะไม่ใช่ว่าคนยุคใหม่มาเกิดขึ้นเองไม่ใช่มาตั้งแต่บรโบราณ การถือศีลอุโบโสถศีลการบวชในคัมมะการได้บวชกุลระบุรสืบทายญาติในพุทธศาสนาจนมีถึงทุกวันนี้เห็นไหมแล้วชายไทยทั้งหมดที่เกิดมาก่อนที่จะได้มีหรือภรรยาที่เขาพูดกันนะบวชก่อนบีห์สุดมากเขาถือกันเลยลนะ่ะบวชเลยบวช อายุครบบวชบวชเห็นไหมแสดงว่าความแนบแน่นในเรื่องของศาสนากับชีวิตของคนไทยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาการบำรุงรักษาธนุทนอมในบรวรพุทธศาสนา รุ่งเรืองนะรุ่งเรืองฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นยุคใหม่ไม่มีบุญบาปแล้วมันไม่ใช่เรื่องยุคสมัยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยังขนขวายอยู่ครับ สิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยมนุษย์นั้นก็ยังไม่รู้ทางพ้นทุกข์ได้จนเราทุกคนเนี่ยต้องไม่ประมาทแล้วก็ตาจิตให้ดีใบพระสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนา อบรมจิตตะภาวนาะให้เป็นวิปัสนาสุดท้ายยกขึ้นสู่รูปนะกํากำหนดกายจิตชีวิตของเราเกิดมาชีวิตของเราต้องแตกดับอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรายังยึดติดพยายามขัดเกลาพยายามละวางสุดท้ายยมจะนอนแบบ จิตที่ไม่มีการหลับและมันสะดุ้งตื่นตอนดึกจิตที่ไม่ซ่อมมองที่คิดร้ายพยาบาทกับใครอีกสบายที่บอกหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่แน่นะคืนไหนเราเราหลับตาไป อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็ได้ยมเคยได้ยินไม่ได้บอกนอนหลับไปเฉยๆเลยทุกครั้งนะจำไว้เวลาหลับไปอย่าคิดว่าเราจะได้ตื่นมาอีกนะฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนลไม่แน่ไม่แ น, แน่วันนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้ อย่าประมาทอย่าประมาทถ้าประมาทเมื่อไรหลายคนนะชอบประมาทเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่พร้อมให้ฉันแก่กว่านี้หน่อยให้ฉันเสียณก่อนให้ลูกฉันโตก่อนโถโย่กะจะทำความดีวันเดียวแล้วตายนะ่นะไม่ใช่คิดอย่างนั้นผิดหลายคนนะ่ะ ตอนนี้ยังไม่ว่างอายุฉันยังไม่แก่เลยฉันจะมาภาวนาฉันจะมาฟังธรรมฉันจะเข้าวัดฉันจะมาสร้างบุญได้ฉันรวยกว่านี้อี ก, อกหน่อย <c oughs> พอดีกันตายซะเรี <c oughs> ยบร้อยก่อนโอ้เป็นผีร้องให้นะนะอย่าประมาทอะไรที่เราทำได้ทำก่อนอย่า อย่ารออย่ารออย่ารอเดี๋ยวจะเป็นผู้ที่ประมาทเอาละก็สมควรในการฟังทำขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพร